ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจเข้าไว้ภายในอย่าใ้ใจมันสงออกไปข้างนอกมันคิดมาพอแรงนั่นแหละตั้งเดี๋ยวท่องเที่ยอวอมาในสงสารนี่เกิดมาชาติได้ก็มาคิด ตามแต่เรื่องของโลกนี่แหละสรุปแล้วก็เรียกว่าคิดไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างมันก็มีที่นี้น่นะที่จิตมันคิดสายไปสายมาอยู่นี่นะดันั้น เราจึงต้องมาฝึกสมาธิภาวนาเข้าไปเพื่อไม่ให้มันคิดสายไปตามที่มันเคยคิดมาแต่ก่อนเพราะมันเป็นทุกข์การใช้ของคิดมากเขาก็คิดไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยิ่งทุกข์หลายถ้าคิดไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ยังชั่วหน่อย ก็ได้ความอิ่มใจว่าตนได้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นประโยชน์แก่วนรวมอย่างนี้นะเมื่อได้พิจารณาเห็นเะนั้นก็เกิดปีติขึ้นในใจอันนี้ก็นว่าพอได้มีความสุขอยู่บ้างการที่ใายความคิดนี่นะ แต่ส่วนมากมันไม่ได้คิดไปอย่างนั้นนี่มันจะคิดเล่ล่อนไปตามความชอบใจเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็ชอบคิดไปและเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มันก็ไม่ชอบคิด เรื่องที่จะพาตนในพ้นทุกเนี่ยนั่นแหละมันยิ่งไม่ชอบคิดเสียนอย่างคิดถึงสังขารร่างกายอันนี้อย่างนี้นะเพอาะถ้าคิดถึงร่างกายอันนี้บ่อยๆเพ่งเข้ามาในนี่บ่อยๆมันก็ยอมเห็นความจริงของร่างกายนี้ตามเป็นจริงอืม เมื่อมันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็ลงความเห็นว่าไม่ควรที่จะมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็ลงความเห็นอย่างนี้แหละเพราะขืนยึดถือไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์ถึงเวลามันแตกก็แตกถึงเวลามันดับมันก็ดับไป ไอความคิดอย่างนี้มันคิดได้ทุกคนแหละแต่คิดขึ้นมาแล้วจะปล่อยวางความคิดอันนี้นะแห่จิตมันรวมลงเป็นหนึ่งอย่างนี้นะมันทำไม่ค่อยได้มีแต่มันคิดเรื่อยไปไปอั่นแหละข้อสาคัญจริงๆชื่วยอยู่ตรงนี้ เมื่อคิดเห็นว่าร่างกายนี่ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนแล้วเป็นของแตกของดับแล้วอย่างนี้ก็ฝึกจิตนี่ให้ปรุงให้วางลงให้สงบไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรอีกในขณะนั่งสมาธิภาวนามีได้หมายว่าเวลาไหนไหนก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่หมายอย่างนั้น หมายเอาเวลานั่งสมาธิภาวนาการทำจิตเช่นนี้หมายความว่าเราพยายามปรงุงพยายามวางขันห้านี่ไว้ตามสภาพของมันแล้วจิตนี้จะได้พ้นทุกไปถ้าขืนยึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดแล้วก็พ้นทุกไปไม่ได้เลย เพราะความยึดถือเป็นตัวกรรมมันติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเอา้าเพราะมันยึดถือรูปนี่ น, น้ำนี่แล้วรูปนี่ น, น้ำนี้แตกดับไปความยึดถือนะั่นน่ะมันเป็นตัวกรรมนําไปเกิดในรูปน้ำอื่นต่อไปอีกอืมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตใจนี่นะ่ะ เรื่องกรรมคำว่ากรรมนี่นะท่านเรียกว่ากรรมมพบความยึดถืออันนี้มันเป็นกรรมนําไปเกิดพบใหม่ต่อไปอีกไปอย่างนั้นดันั้นจึงว่าผู้ที่ท่านบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็เพราะท่านมามองมาเพ่งดูร่างกายอันนี้ จนได้เห็นเป็นของน่าเบื่อหน่าย ไ, ไม่น่ายินดีพอใจไม่น่ายึดถือว่าเป็นของเราเลยทั้งนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงนันก็ควรยึดถืออยู่เพราะมันไม่แปรผันแตกดับทำลายไปก็มันเที่ยงนี่แต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องมนะัน ยึดถือปันใดปราถนาให้มันอยู่ยั่งยืนนานมันก็ไม่อยู่ถึงเวลามันวิบัติแปลพปูนมันก็วิบัติไปถึงเวลามันแตกหลับมันก็แตกเช่นนี้แล้วไอด้ดวงเกียตนี่จะมาชื่นชมยินดีกับรูปกับนามอันนี้ตรงไหนก็ลองพิจิตรพิจารณาดู ให้ดีถ้าไม่ใครควรให้ละเอียดถี่ท่วนอย่างนี้ดูผิวเผินแล้วมันก็หน้าหวงเห็นหน้ายึดถือจริงธาตุสี่ขันห้าอันนี้เพราะว่ามันเกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้แถมบุญกุศลนหลังตกแต่งให้ด้วยมีรูปสวยรูปงามด้วย มีโพคะสมบัติมากมายกายคลองด้วยมีอาคารบ้านอยู่ใหญ่โตมโหโฬานกินก็ได้นอนก็รับไปไหนมาไหนก็คล่องแคลวดีอันนี้แหละคนมันหลงตรงนี้แหละฮะ น, น, นึกว่าตนมีความสุขสบายตนจะไม่ตายง่าย แล้วก็เพลนก็มเมาไปอย่างนั้นแหละคราวนี้นะเมื่อความเจ็บมันมาถึงเข้าปัจจุบันท่านด้วนหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วจะไม่รู้ว่าตนจะตายแล้วเอาแล้วเป็นทุกข์หลายแบบนี้นะวิตกวิจั์เออเรานี่จะได้พลัดพากจากของรักของชอบใจไปแล้วหนอวิตกเท่าใดก็ยิ่งรับแค้นใจ ทุกใจไปเท่านั้นรักพ่อรักแม่เอาเป็นทุกข์กับพ่อกับแม่รักผัวรักเมียก็เป็นทุกข์กับผัวกับเมียรักลูกรักหลานก็เป็นทุกข์กับลูกกับหลานรักเข้าของเงินทองอะไรก็เป็นทุกข์กับอันนั้นอันนี้มันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมอันหนึ่งดังนั้นอะ เมื่อบคุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายพี่ณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่รักไม่ชังดีกว่าปล่อยให้รูปนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันแรปรปวนแตกดับไปตามเรื่องของมันเมื่อเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่ก็ใช้มันทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปไม่ปล่อยให้รูปร่างอันนี้มันชารุดทุดทมไปเสียเปล่า โดยไม่ได้ใช้มันทําประโยชน์อะไรไม่สมควรเลยขอบุญกุศลตกแต่งให้มาเพื่อมาทําประโยชน์ตนและผู้อื่นเพิ่มผูนบ ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วบุญบา ร, รมีมันจะแก่กล้าได้ยังไงอ่ะเกิดมาชาติใดก็มาแต่มัวแต่เมาอยู่ในกรรมคุณอันนี้ เมาจนถึงกับได้ทำบาปทำกรรมเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะเออมันจะพ้นทุกได้ตรงไหนแบบนี้มันก็มีแต่บาปกรรมมันจะนำไปสู่ทุกขอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยดังนั้นนะชาวพุทธทั้งหลายควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนควรตื่นตัวกันอย่าพึ่ง นอนหลับทับสิทธิ์ของตนอยู่เลยหากาันตื่นดึกลุกเชา้าไหวพระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเพ่งพิจนารณาร่างกายสังขารอันนี้ให้มันเห็นแจ้งให้มันรู้จริงขึ้นมาเห็นแจ้งครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่แล้วนะวางต่อไปมันอาจไม่เห็นแจ้งก็ได้ ดังนั้นอย่าประมาทเมื่อเห็นแจ้งแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้ความเห็นอ น, นั้นไว้ให้ได้อืมอย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้มันจึงจะพ้นทุกข์ไปได้ถ้าว่าเห็นแจ้งครั้งหนึ่งแล้วนี่ประมาทเสีไม่พิจรารณาจะให้ติดต่อกันไปน้อยก็หลงอีกแล้ว หลงไปยึดไปถือเอาน้ำเอารูปนั้ น, นว่าเป็นตัวเป็นตนไปอีกอก็วนอยู่ของเก่าอย่างนี้แหละบุคคลผู้ประมาทสำคัญผิดไปคิดว่าตนรู้มันอยู่แล้วแหละสังขารร่างกายอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปเพ่งพิจารณาติดติดต่อต่อต อ, อะไรกันนักหนา ความดำริอย่างนี้แหละเียกว่าเปิดช่องให้มานคือกิเลสมันเข้าครอบงาจิตใจได้อย่างนั้นอย่าไปเปิดช่องให้มานต้องพิจารณาให้ความรู้ความเห็นมันเด่นอยู่ในใจเสมอไปความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมมีอย่างนี้แหละ เพราะว่าเมื่อทําให้มากเจริญให้มากมันก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อบรรลุมรพลนิพพานดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละก็แสดงว่าถ้าบุคคลไม่ภาคเพียรไม่ยามทําความเพียรได้ติดต่อกันไปเรื่อยมันจะไม่รู้ยิ่งขึ้นได้หมายความว่าอย่างนั้น ให้พากันถือเอาใจความตรงนี้อ ย, อยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่กระทําอุบายแยบคายในใจอย่างนี้จะให้จิตมันเบื่อมันหน่ายต่อทั้งขานร่างกายจะให้มันปรงมันวางเนี่ยมันไม่วางแล้วอืมต่อเมื่อใดใดพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความแตกความดับของร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้น หมายเขามว่าเห็นเป็นภาพนะที่ท่านเรียกว่าเป็นอุาหานคหานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตนั่นแหละอันนิมิตเหล่านี้ต้องเจริญบ่อยๆ อ, อันนี้แหละเป็นอาหารของใจนะขอให้เข้าใจถ้านิมิตนังว่านี่ไม่เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ใจนั่นจะเบื่อหน่ายในการพิจารณาไม่ดูตืม่มจะอ่อนแอลงไปโอ้ยพิจารณาอะไรก็ไม่เห็นพอเมื่อมันไม่เห็นแล้วมันก็ไม่ค่อยเชื่อแล้ววันนี้นะมันเป็นยังไงเรืดองมานะถ้ามันเห็นเป็นภาพปรากฏอพอนึกถึงความแตกดับอย่างนี้นะ ปรากฏภาพแผงความแตกดับนั่นมันก็ปรากฏขึ้นในใจเป็นงั้นถ้านึกถึงความเป็นสภาวะธาตุอย่างนี้อา้าวร่างกายนี้มันก็แตกลงเป็นธาตุดินธาตุน้าไปอันนิมิตภาพเหล่านี้ย่อมปรากฏขึ้นในใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าอุคานิมิตเนะ่ อันปฏิภาคนิมิตนั่นเพ่งธาตุเหล่านี้นะจนว่าใสาเหมือนแก้วอืมอย่างเงี้ยเพ่งกระดูกรนี้จนใสเหมือนแก้วนั่นเลยถ้าเพ่งปรากฏได้อย่างนี้ลนะจิตก็ยิ่งสงบลงไปอย่างสนิทสนมสงบจังละเอียดแล้วออกเข้าไป เรียกว่าจิตสงบอย่างแนบเนียนเมื่อจิตสงบอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ได้นานอยู่ในสองอาทิตย์นะนะความเจ็บปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอันใดมันก็ระ ง, งับไปเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดเข้าไปแล้วมันมันไม่ได้สัมผัสกับร่างกายส่วนหยาบนี้มากมายสัมผัสก็สัมผัส เบาเบลละเอียดมากเช่นนี้ทุกขเวทนามันจึงได้เบาบางไปถึงพากันเข้าใจการที่จิตมามีความรู้สึกต่อร่างกายนี่หยามหยาบไม่ละเอียดนี่เนะ่ยมันย่อมได้เสวยทุกขเวทนามากเป็นอย่างนั้นังนั้นจงพยายาม เมื่อเวลาปกติโลกภัยไม่เวียนเบียนก็พยายามเพ่งให้อุปานิมิตปฏิภาคานิมิตบางเกิดขึ้นในจิตใจให้ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษานิมิตนั่นไว้อย่าเพิ่งให้มันเสื่อมนึกถึงเวลาใดก็ปรากฏเวลานั้นอย่างนี้นะเมื่อทําใจได้อย่างนี้แล้ว มันมีสักขีพยานอยู่นี้ บ, บ่ด้นะมันจึงไม่หลงรักหลงชังไปในรูปในนามต่างๆเหล่านั้นพรามา น, นึกถึงรูปนั้นเวลาใดมันก็แตกก็ดับให้เห็นอยู่มันก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นอธิธาตลงไปคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าสวยว่าขี้ร้ายหมนั้นไม่มีแล้วหายไปหมด อันจิตนี่นี่ยมันไม่ยอมรับสภาพความจริงดังกล่าวมานี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นแหละข้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่และมันก็ยังไม่ยอมรับความจริงนั้นตรงนี้สำคัญมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปก็หมายความว่าตัวเองสอนตัวเองนั่นแหละสำคัญมาก เมื่อตอนน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้ถึงให้นิ่งให้สงบอยู่แล้วอย่างนี้ก็ใช้อบายปัญญาสอนเมื่อจิตใจมันคล้องอยู่กับสิ่งใดก็สอนให้มันเห็นโทษสิ่งนั้นสอนให้มันเห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนในสิ่งนั้นสอนให้มันเห็นความแตกดับทำลายเป็นสภาวะธาตุลงไปในสิ่งนั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่ลงเป็นธาตุดินธาตุน้ำไม่มีรูปร่างกายอันนี้ก็บุญกรรมตกแต่งให้จึงได้มีรูปร่างอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี่จึงได้เคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ต่างๆได้เนหละคนผู้ไม่ ภาวนาไมื่อพารนาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปคายนี่โดยแจมแจ้งแล้วมันก็ถึงได้หลงนั่นแหละถ้าพี่ณาเห็นว่าอาบุญกรรมที่ตกแต่งร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะมันหมดเป็นเหมือนตะเกียงและคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้แล้วจุดไฟเข้าไป ไฟก็ไม่ใส้ไม่น้ำมันไปเรื่อยๆน้ำมันก็หมดไปทีละน้อยละน้อยไปใส้ไส้ตะเคียงก็ก็ก็หมดไปทีละน้อยเหมือนกันอืไปไปแล้วน้ำมันมันน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วแสงไฟมันก็หรี่ลงรีลงเป็นอย่งั้นพอบุญหมดลงไปบุญเก่านะหมดลงไปเท่านั้น ชีวิตอันนี้ก็แตกดับทําลายลงไม่สามารถจะคงที่อยู่ได้เลยอืมมันก็เหมือนกับตะเกียงคมไฟถ้านมันหมดลงไปเมื่อใดไฟก็ดับพุบลงเมื่อนั้นเลยอืมอุปมานี่นะควรจําไว้ควรน้องก็ไปพิจารณาในร่างกายสังขาร น, นี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเหมือนตะเกียงคมไฟนั่นเอง การนั่งสมาธิเนี่ยอยู่ไปกม้มันเมื่อไปก้มอย่างนั้นแล้วมันก็นั่งหลับแล้วมันก็ง่วงแล้วมันต้องนั่งยืดตัวทำกายให้ตรงไว้ตั้งสติมั น, นแน่วแน่อย่าไปฝึกนิดใสแบบนั้นนะถ้าฝึกอย่างนั้นแล้วนั่งสมาธิส่วนตัวอยู่กุฏิหมู่นั้นมันก็ มีแต่นั่งหลับอยู่เท่านั้นแหละนั่งง่วงไม่มีปัญญาอะไรเลยท่านอธิบายธรรมอะไรให้ฟังก็ไม่รู้แลยเพราะมันนั่งหลับอยู่นีนเปรียงั้นมันต้องปลุกตนให้ตื่นอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะถ้านั่งไปมันง่วงง่วงก็ถหัดคิด เอา้ากำหนดเรื่องอะไรคิดก็กำหนดมาคิดมันชอบพิจารณาเรื่องใดในกรรมฐานก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาถ้าพิจารณาลงมาทำไมมันจึงง่วงนี่นะมันจะวิวนิจัยตัวเองได้อย่างไรอะ่ะ มันง่วงเพราะมันไม่มีอุบายแยบคายในใจในขณะที่นั่งสมาธิภาวนาอยู่ถ้ามีอุบายแยบคายคิดนั่นคิดนี่พิจารณานั่นนี่ให้เห็นแจ้งชัดลงไปอะไรอย่างนี้นะมันจะไม่ง่วงเลยลองทำดูน สวนมากเขาที่สังเกตดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าฟังเทศแล้วทําสํารวมจิตเข้าไปก็แทนที่จะกําหนดรู้ตามเห็นตามที่ท่านอธิบายไปไม่แล้วฟังเสียงเพราะเาะแล้วก็เคลืไปตามเสียงอ น, นั้นเลยโดยไม่แยกภายในใจแล้วผู้แ ย, ยบคายในใจวะ เมื่อกําหนดตามที่ท่านแสดงไปหากเราเห็นแจ้งตามนั้นจิตก็นึกขึ้นมาได้เออเรื่องนี้เป็นความจริงเราก็เห็นแจ้งออย่างนี้เอเรื่องนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นเราก็กําหนดรู้ไว้ทันเมื่อมันความว่างไม่ครอบงามจิตใจพิจารณาตามธรรมะ ที่ท่านแสดงไปโดยปริยายต่างๆอุบายอะไรเนี่ยมันถูกกับจริตของตนมันก็ถึงขึ้นมาเลยเออเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอจิตใจมันก็ตื่นขึ้นแล้วเมื่อใจมันตื่นขึ้นร่างกายมันก็ตื่นมันก็ไม่ง่วงอ ม, มันต้องมีอุบายเนี่ยพา ย, ยัางนั้นเรื่องมันนะ แม้เรานั่งอยู่โดยลำพังไม่มีผู้สอนก็มีอุบายเงีบขายอย่างนั้นเพื่อป้องกันความง่วงให้เข้าใจเอาถ้าทำอุบายอย่างนั้นมันก็ยังง่วงอยู่เนี่ย่ก็จาเป็นต้องลุกไปล้างหน้าล้างตาเดินเหินไปมาอะไรน้ำฤรธิตรีตองธรรมะที่ร่ำเรียนมา ที่ได้ยินได้ฟังมาหรือว่านึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรเราได้ฟังมานี่พอเมื่อเมื่อมานึกถึงประวัติของพุทธเจ้ามาปรากฏในใจแล้วโดยรู้สึกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษจริงๆพระเถรจริงๆอย่างนี้เนี่ยจิตมันก็ตื่นชื่นบานต่อ พระพุทธคุณนั้นถ้าหายง่วงหายเหงาี่อุบายที่พิจารณาแก้ง่วงแก้เหงามันมีอยู่บางทีก็ไปยืนอยู่ที่อากาศโปรง่ปรงๆแล้วก็เงเนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าดูดวงดาวดูดวงพระพระจันทร์ถ้ามีนะ แต่ดวงดาวนั้นไม่เคยขาดจากท้องฟ้าเง น, น้าเพ่งดูไปทำใจให้สว่างให้เปิดเผยไม่ไม่ไม่ไมน้มจิตไปแต่เพื่อความหลับเท่านั้นตั้งสติควบคุมจิตให้เบิกบานต่อธรรมต่อบุญต่อกุศล อคุณพระรัตนไกลยอยู่อย่างนั้นก็ อ, อย่างนี้นะวิธีฝึกตนนะพราก็ไม่ทําอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ฝึกตนเลยคอยเข้าใจนี่กันบวชอยู่มันก็ไม่ทนทานเนี่ยเพราะว่าภาวนาทางจิตใจก็ไม่ได้ผลไม่ได้ความถูกความอิ่มใจ อะไรอย่างนี้นะมันมันก็ใจจืดใจจางจากการประพฤติพรหมจรรย์แม้ผู้อยู่คองเรือนก็เหมือนกันแหละถ้าภาวนาไปแล้วไม่ไปหน้ามาหลังอะไรเลยไม่รู้ความจริงของชีวิตอะไรเช่นนี้มันก็เบื่อแล้วเอาไปเอามาไม่อยากภาวนาเลยผู้ภาวนาที่มันไม่เบื่อไม่น่าย กับพ่อภาวนานแล้วโน้มสติเพ่งเข้าไปตามลมหายใจเขาออกสติให้ระลึกเข้าไปมันถึงความรู้สึกอ น, นั้นแล้วควบคุมความรู้สึกนั้นให้เป็นปกติอยู่ได้แล้วมันจะพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในสิ่งนั้นชัดเจนเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันกระดูดดื่มแล้ววันนี้นะอืใจมันกระดูดดื่มแล้วมันมองเห็นแจ้งอยู่ เหมือนอย่างบุคคลที่มองเงาหน้าของตนที่หน้ากระจกบานใหญ่กลัวดูตรงทุกกระเบียดนิ้วของหน้าไม่มีสิวมีข้าไม่มีแผลเป็นปรากฏอยู่เลยแล้วก็มีน้ำมีนวลมีผิวพันผุดผ่องเมื่อเห็นเงาหน้าของตัวเองนั้นแล้วก็ชื่นใจ ไม่ไม่เศร้าใจถ้าไปมองเงาหน้าตัวเองไปเห็นฝอยไปเห็นแผลเป็นไปเป็นหัวสิวและบาดอยู่ทั่วอย่างนี้นะก็มักไม่พอใจแล้ววะเนี่มดังนั้นนะฉันใดเมื่อบุคคลมามอง ดูจิตตัวเองแล้วเห็นด่างเห็นพร้อยมัวมองอยู่ด้วยกิเลสมันก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรเลย ว, วันนี้นะก็ไม่ปรารถนาอยากภาวนาซ้าเลยผู้ผู้เช่นนั้นเลยว่าเข้าใจผิดไปก็ถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ยึดเอากิเลสตัณหาไว้ครอบงาทนให้เศร้ามองขุนมัวแล้วใส่ พระศาสดาจะไม่สอนคนให้ภาวนาเลยที่พระองค์ทรงสั่งสอนในภาวนานั้นก็เพราะเหตุว่าจิตใจของคนธรรมดาสามานนี่มันสร้างกิเลสมาครอบงาตัวเองให้เศร้ามง้งขุนมัวอยู่นั่นแล้วก็หาความสุขสบายไม่ได้ดังนั้นเลยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้ พุทธบริษัทภาวนาเพ่งเข้าไปหาจิตความคือความรู้สึกอ น, นั้นสติเมื่ อ, อยังเข้าไปถึงความรู้สึ ก, กันนั้นแล้วความรู้สึกคือจิตนั้นอ่ะมันจะหยุดคิดทันทีเลยลองสังเกตดูก็ได้ผู้บำเพ็ญถ้าสติเมื่ อ, อยังเข้าไปยังไม่ถึงความรู้สึ ก, กั น, นั้น อย่างค้างข้างคาค า, าอยู่อย่างนี้นะคิดนั่นมันไม่ยอมหยุดคิดแหละมันจะต้องคิดเลยเปื่อยไปอย่างนี้ก็ให้พากันเข้าใจอุบายวิธีเพิกคิดที่พุ่งสร้างเรื่องลอยให้สงบดังชี้แจงให้ฟังมานี่แต่ส่วนมากมันก็เป็นเช่นนั้นแหละไอ้ผู้ภาวนาเนะี่ยมีอยู่สองแยบยัง อย่างหนึ่งก็นั่งภาวนาเข้าไปแล้วมักจะนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตปรุงแต่งไปพุง่งไปตามอารมณ์นั้นๆประเภทที่สองนั่งภาวนาเข้าไปแล้วก็มีแต่ง่วงมีแต่เคลิบเคลิ้มไม่อยากทำงานอะไรเลยจิตใจเนี่ยร่างกายก็นั่งโอนไปเอ็งมาอยู่นั้น ผูภาวนาไม่เป็นมีลักษณะสองอย่างอย่างนี้ก็เมื่อเมื่อเพ่งพิจารณาอยู่นี่มันก็รู้ได้นะไม่ใช่ทําไมมันจะรู้ไม่ได้แล้วก็เมื่อมันรู้ได้นะี่ยก็หาทางแก้ไขนี่นะอา้าวถ้ามันพุ่งซ่านลาคาญอยู่บ่อยๆ อ, อย่างนั้นก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ย อย่าไปสงสัยอย่างอื่นเพราะสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้จิตมันยังคิดส่งไปตามอารมณ์ต่างๆภายนอกที่เป็นอดีตท่วงมาแล้วบ้างที่เป็นอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงบ้างมันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละจิตถ้าสติยังเข้าไปควบคุมไม่ได้นะ มันเป็นงนั้นสติลืมลมหายใจเข้าออกจิตมันก็ไม่อยู่ย่อมเลื่อนลอยนี่สังเกตดูถ้าคราวใดสติยังเข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นได้ความรู้สึกนั้นมันจะหยุดคิดหยุดซึกทันทีเลยมันจะรู้ตัวอยู่อย่างนั้นแบบนี้ รู้ตัวว่าเป็นปกติอยู่ไม่อ่อนแอทอดแห่ไม่พุ่งสั่นลำคาญอะไรนี่เรียก ว, ว่าจิตเป็นปกติอยู่ที่ว่าไม่ปกติก็เพราะมันเคลื่อนไหวอย่างว่านั่นแหละถ้าไม่ไม่นั่งงกว่วงอยู่ก็เคลื่ต่างวิมานบนอากาศ อยู่อย่างนั้นความจริงนะก็ต้องเตือนตนเข้าไปสิเวลาอย่างนี้ไม่ใช่เวลาไปทำการทางานอะไรอะ่ะถึงคิดไปได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละมันถึงได้ตื่นตัวคนผู้มีจิตฟุ้งซ่านนะต้องเตือนตนเข้าไปบปไยวเลยทีเดียว เตือนครั้งเดียวแล้วยังไม่พอต้องเตือนบ่อยๆต้องมีเพียรพยายามเพ่งพินิษ์อยู่อย่างนั้นวิริเยนะทุกขามัจเจติพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะผู้จะล่วงพ้นจากทุกได้ก็เพราะมีความเพียรดังนี้ตามพุทธภาสิตนี่นะ แสดงว่ากิเลสนี่มันเหนียวนั่นจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะไปละไอมันขาดไวๆได้ตามประสงค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะอืเพราะมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่มันนับชาติไม่ทวนแล้วที่ล่วงแล้วมามดังนั้นเราจะมาทําความเพียรละมัน น, นิดหน่อยๆอย่างเนี้ย แล้วจะให้มันดับไปจากจิตใจให้หมดนี่ไม่มีทางอนะขอให้เข้าใจอย่างน้อยก็เพียงแต่ว่าทำจิตใจสงบลงไปมันก็ไปข่มกิเลสนั่นอยู่เท่านั้นเองอันุภาพแห่งสมาธิมันก็ข่มกิเลสอยู่ได้ชั่วคราวเหมือนกันเนะ่ยปรากฏคล้ายๆกับว่า ไม่มีกิเลสแล้วในใจนั่นนะอืมเป็น้นแท้ที่จริงแล้วมันซ่อนตัวอยู่ในนั้นแหละตนไม่รู้เลยมันซ่อนอยู่ตรงไหนอะ่ะอืมดังนั้นนะเมื่อมันโผล่หน้ามาเงี้ยก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเลยกว่า น, นี้นะอืมมันนัโผล่ขึ้นมาเวลาหนึ่งละ นั่งภาวนาไปมาเมื่อมันโผล่เรื่องใดขึ้นมาก็กําหนดเรื่องนั้นพิจารณามันเป็นยังไงเรื่องนี้นะมันถึงปรากฏในมโนทวานนี่โยเพ่งพิจารณาดูแล้วก็รู้ได้ว่าจิตใจมันยึดไว้มันยึดอารมณ์อยู่เรื่องนั้นไว้ เมื่อเผลอเผลอสติเข้าไปมันอารมณ์นั้นมันจึงโผล่ขึ้นมาในจิตในความรู้สึกมันจึงคิดจึงนึกขึ้นมาเป็นอย่านั้นถ้าอย่างนั้นเราก็สาวหาต้นเหตุมันพบแล้วก็ละกําหนดละเพราะใจมันยึดถือเรื่องนี้ไว้มันจึงมีความคิดวิถกวิจารณ์อย่างนี้เราต้องกําหนดละมัน เพราะว่าความคิดอย่างนั้นความยึดถือในเรื่องต่างๆ่างเหล่านั้นล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงไอ้เรื่องที่ยึดถือเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอืมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ใจมันหลงทางห่างนะหลงพื้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาอเบ่งงานเลงมนะันเลยเอาเรื่องเก่านั่นแหละเล่าสิบครั้งอย่างโบราณท่านว่านั้นแหะ ก็เพราะมันไม่เห็นแจ้งโดยปัญญามันถอนรากของกิเลสชนิดนั้นออกไปยังไม่ได้เมื่อมันมีรากอยู่ตาบใดมันก็แตกหน่อขึ้นมาอยู่ตาบนั้นกิเลสเนี่ยดังนั้นเมื่อเราเจริญปัญญาไปเพจรณาเห็น ต้นต่อของความวุ่นวายของจิตใจอย่างนั้นแล้วก็สอนใจให้ละมันสอนโดยอุบายท่านเปรียบไว้อุปมาเหมือนอย่างพ่อแม่สอนลูกอ่อนนี่นะลูกอ่อนมันร้องไห้มันร้องไห้พ่อแม่ก็ปลอบลงไป โอ้อย่าร้องลูกอย่างนั้นเดี๋ยวก็แม่จะเอาเข้าวให้กินบ่เดี๋ยวแม่จะอาบน้ําให้เดี๋ยวแม่จะพาไปนอนอะไรอย่างงี้นะอืมเดี๋ยวแม่จะหาของเล่นมาให้อปลอบใจมันไปมางี้เด็กๆเมื่อมันได้ของเล่นแล้วมันก็หายร้องอืม มันเป็นอย่างนั้นเน่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตนี้มันได้เกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วในเรื่องนั้นๆอย่างนี้มันก็ท่านก็เรียกว่าเป็นผู้มีทำเป็นเครื่องอยู่ในใจอืหรือเรียกว่ามีวิหารธรรมเป็นเครื่องโย อย่างเช่นอนัตตาอุปัฏฐนาอย่างนี้นะคิดเห็นแจ้งในสภาว ธ, ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทัวตนอะไรที่ว่าสัตว์ว่าคนนั่นสมมุติเอาสภาวธรรมเหล่านี้ต่างหากสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่สมมุติอย่างนั้นมันก็รู้เรื่องก็ไม่ได้เลย ติดต่อค้าขายกันก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วของในโลกนี่มันก็มีอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างประณีตมันมีอยู่ทุกประเภทเลยเป็นอย่างนั้นอารมณ์หรือว่าคุณธรรมในจิตใจของคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นเลย ม, มันมันก็มีหลายประเภทมีทั้งอย่างหยาบ อย่างกลางอย่างละเอียดแต่เมื่อปัญญามไม่ละเอียดมันก็มองไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดอารมณ์ส่วนละเอียดมเมื่อปัญญามันอยู่ในขั้นหยาบมันก็รู้ทั้งแต่กิเลสขั้นหยาบมันก็ละได้แต่กิเลสหยาบๆยาบมันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญามันก้าวขึ้นไปอย่างกลางอีกมันก็ไปรู้กิเลสอย่างกลาง ที่ทันเยว่านิวอนห้ามันกั้นจิตมาให้บรรลุความดีได้เมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นมันก็ละได้เนี่ยะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัญญาแบบนี้เมื่อลึกซึ้งเข้าไปแล้วนะละเอียดเข้าไปมันอยู่กับปัญญาการปัญญามจะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะมันพิจารณาบ่อยๆมันเป็นอย่าง น, นเดิมมาให้เข้าใจถ้าไม่มันพิจารณาแยกคลายโดยอุบายต่างๆบ่อยๆแล้วก็ปัญญาจะไม่เกิดปัญญาส่วนละเอียดมันก็เกิดจากความคิดอันละเอียดอย่างนี้นะเพ่งคิดอยู่ในปัจจุบันนั้นอยู่ในความรู้สึกนั้นไม่ให้มันความคิด ส่งออกไปข้างนอกเลยรู้อะไรก็รู้อยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ที่รู้นั้นมันก็แจ่มแจ้งได้เลยแบบนี้นะมันเป็นงานเดิมมันนะ่ะละอะไรก็ละอยู่ที่รู้นั่นแหละเมื่อเห็นแจ้งแล้วก็ละปร่งวางนี่นะเมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไ ป, ไปบ่อยเนี่ย จิตมันเห็นแจ้งสัมมัญญาแล้วมันก็ค่อยปล่อยค่อยวางค่อยคลายความยึดความถือออกไปเรื่อยเรื่อยเมื่อทำความเพียรไปไม่ท่อยถอยมันก็อาจจะคลายออกหมดเสียเลยก็ได้กิเลสตัณหาเนีนะดังแสดงมา